ท, ท, ท, ท, ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจเรามันรุนประโยชน์ทั้งนั้นดยที่ว่าเราจะรู้จับใช้มันให้เป็นหรือเปล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจนี้ก็เรามไปถึงความคิดปรุงแต่ตงต่างๆหรือแม้กระทั่งที่เราเรียกเป็นความคิดฟุ้งซ่ า, านตลอดจนอารมณ์ทั้งบวกและลบ ความโกรธความบุกความขุนเคืองความอยา ก, คว า, ค, วายากความเศร้ามันก็มนหมอนถอกว่าจะพืนนะว่าจะพื้นมันมีโทษจะติงแต่ว่าประโยชน์ก็มีอยู่อย่างที่เคยเล่า คืวากลุ่มมราพักเนี่ยไปเรียนหมอจิตวิลาเรียนมาหลายปีแล้วก็ไม่รู้ตัวเองเรียนกดได อ, อย่างไปถามอาจารย์อาจารย์ก็อยากจะทดสอบทามรู้ก็เลยให้ให้จอบไปให้เสียงไปแล้วก็ให้ไปหา ให้หมอชีวกนี่แหละไปหาไปตรวจดูว่าในอนาบริเวงหนึ่งโยธรอบเมืองมีอะไรบ้างที่ใช้เป็นยาไม่ได้หมอชีวกก็ไปตรวจไปสำรวจก็พบว่า กลับมารายงานอาจารย์ว่าไม่เจออะไรเลยที่ใช้เป็นยาไม่ได้อันนี้ก็าเราพิถึงว่าจะคพื่อต่างๆมากมายนะพี่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์นะแต่ว่าหมอชีวกก็พบ ว, ว่ามันเอามาใช้เป็นยาได้ทั้งน้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาละสำเร็จการศึกษาแล้ว หรือว่ามีความรู้พอตัวแล้วกลับบ้านได้อารมณ์หลายอารมณ์นั้นเราก็อาจจะมองมาเป็นเหมือนวัชพืชนะที่คอยรบกวนทงความสิดใจแต่ที่จริงมันมีประโยชน์อยู่เหมือนกัน ประโยชน์อะไรก็คือประโยชน์ในการช่วยสุดใจของเราฝุกให้มีความหมดคนหรือขันตินก็ได้หรือว่าจะใช้ฝึกสติก็ได้การฝึก ส, สตินเนี่ยซึ่งเป็นงานหลักของพวกเราในที่นี้เนี่ย มันไม่ได้ฝึกจากไหนนะก็ฝึกจากอารมณ์และความที่ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจส่วนก็เกิดจากการที่เราฝึกกับอิเลี่ยบทต่างๆมีเนินนั่งนอนนะก็ฝึกให้ใช้อิเลี่ยบทนั้นแนหะเพื่อทําให้เกิดความสุกตัวขึ้นมา คื่สุตัวเวลาทำเรียบทต่างๆอันนั้นก็อันหนึ่งละ่ะที่เรียกว่าให้รู้กายกายานุปัสสนาแต่ว่าอีกสามข้อเนี่ยเวทนานุปัสสนาปิตานุปัสสนาธรรมนุปัสสนาเนี่ยู้แล้วแต่เป็นเรื่องของการฝึกนะกับสิ่งที่เป็นนามธรรมซึ่งส่วนใหญ่คือ ความที่แลอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจแล้วกระทั่งเวทนาเนี่ยเวทนานี่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่อารมณ์ในความหมายที่เป็นเรื่องของสื่งโครงแต่งจิตนะับแต่ว่ามันก็สามารถกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ได้เช่นทับปวด ก็เกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญเราตร้องปรุงแต่งความคิดเช่นถ้าปวดมากๆนั้นก็บ่นตีโอยตีพายอยู่ในใจเมื่อไหร่มันจะหายทำไมหมอรักษาไม่ได้หรือว่าเป็นกรรมอะไรของเรา เ น, นี่ยป็นก็เป็นความคิดนะมันปรุแต่นขึ้นมาที น, นี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันเป็นอุปรกรณ์นะในการฝึกสติของเราเพราะว่าการตจริญสติการฝึกสติก็ไม่ได้รู้อะไรนอกไปจากเรื่องกายและใจ ให้เรื่องกายนี้ก็รู้จักอิเดียบทนะการทํากิจต่างๆทั้งที่เป็นไปตามธรรมชาติหรือที่กําหนดสร้างขึ้นมานนเช่นการยกมืสร้างจังหวะนะอันนี้ก็เป็นการเดินอิเลียบทที่สร้างขึ้นหรือว่าการเดินตรงๆนะอันนี้เราก็สร้างขึ้นมาหรือวม้ั่งการนั่งตามลมหายใจ ไอ้นคนที่เป็นธรรมชาตินันก็คือเวลาเราอาบน้ำถูฟันกินข้าวมันก็มีออเรียรบทน้อยใหญ่อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นสิ่งที่ฝึกสติเพื่อให้รู้กายสายเดยการเมื่อรู้ใจเราก็หมายถึงการที่รู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่เลือกกันแน่นะั้น จะเป็นอารมณ์บวกหรือลบคนส่วนใหญ่ก็ปรารถนาอารมณ์ที่เป็นบวกเช่นความดีใจความพอใจความสุขอันนี้เป็นไอสุขนี้ก็เป็นเวทนาแต่ถ้าเป็นอารมณ์ฝ่ายลบความหงุดหงิดคุณเครื่องคับแทน้นก็ผักใายออกไปไม่อยาก แม้แต่การภาวนาบางอย่างเช่นภาวนาเพื่อความสงบส ม, สมถะกรรมฐานก็จะไม่ชอบอารมณ์ที่เป็นฝ่ายลบเพราะมันทำให้ใจไม่สงบแต่สำหรับการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยสติปัฏฐานสใ่ไอ้พวกนี้น่นือเป็นการบ้านการบ้านเพื่อฝุดใจเราให้มี ความรู้เท่าทันนะจะให้รู้ทันได้ไวใ้การรู้ทันนี่ก็คืองานของสตินะสติมันคือการมันช่วยทำให้หน้าที่ของสติคือช่วยรับรู้รู้ทันนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจรวมทั้ง มีความวระลึกรู้เมื่อทําอะไรก็ตามเมื่อทําอะไรใจเราอยู่กับสิ่งนั้นนะเราก็เรียกว่ามีสติเมื่มีอะไรเกิดขึ้นกับใจและเราก็รู้ทันความคิดและอารมณ์ น, นั้นอันนั้นก็ถือว่ามีสติเพราะว่าทําไม่รู้ทันเมื่อไหร่ มันก็โดนอารมณ์เ่านั้นครอบงำแล้วก็ทําให้ลืมตัวไม่ใช่แค่ความโกรธที่ทําให้ลืมตัวไม่ใช่แค่ความเศร้าที่ทำให้ลืมตัวมแว ม, ม, วม้แต่ความดีใจก็ทําให้ลืมตัวได้ดีใจจนลืมตัวดิงโลดนะจนเดินตกบันไดหรือว่าพูดจาขนองปากนะจนกระทั่งทําให้เกิดความเสียหายขึ้น อันนี้ก็ลืมตัวแล้วลืมตัวดีใจถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะนะก็เลยเกิดอุปติเหตุนะขับรถแหกโค้งทีนะ ก, กา ร, รตายก็มีอารมณ์เหล่านี้เนี่ยนะถ้ามันคล้องกำลังใจเมื่อไหร่ก็ลืมตัววันนั้นไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเกิดว่า เราทนักปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็คือการบ้านนะเพื่อฝึกให้เรามีสติรู้ทันหน้าที่ของสติเนี่ยนะเราก็รู้ดีอยู่แล้วนะมันนนอกจากหมายถึงการระลึกได้ในสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือการจำได้จำได้ว่าเกิดวันไหนเดือนอะไรพอศ อ, อะไร จำได้ว่าเรียนตกที่ไหนจำได้ว่าเพื่อนเกิดที่ประเทศใดจำได้ว่าวางรองเท้าถอดรองเท้าไว้ที่ไหนนี่เป็นงานสติสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ระลึกนึดได้แต่อีกด้านหนึ่งคือสติมันทำให้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำอะไรในปัจจุบันก็รับรู้กําลังกินใจก็รู้ว่ากินนะไม่ใช่ว่ากินแล้วลืมหรือว่าไม่รู้ตัวกําลังกินเพราะใจลอยออกไปนอกตัวไม่รู้ว่ากำลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันนะตอ น, นั้นก็ไม่ไม่เรียกว่ามีสติเรียกว่าขาดสติไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับใจในขณะนี้นะก็เรียกว่าไม่มีสติ แต่เมื่อตามที่เรามีเรารู้ว่าสิ่งอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจขณะนี้นั่นแหละคืองานของสติแ้าสติเราจะมีความสามารถอย่างนี้ได้รวดเร็วสับไวได้อย่างไรก็ต้องก็ต้องมีการบ้านให้ฝึกมีแบบฝึกหัดให้ทำอะไรคือการบ้านอะไรคือแบบฝึกหัดก็อารมณ์เหล่านี้นั่นแหละ ความคิดทุ่มสร้างนะหรือว่าอารมณ์ที่เป็นอกุศลนะอารมณ์กุศลก็เป็นแบบสุขฐานได้ด้วยเหมือนกันท่านะ น, นี้อย่างที่บอกเวาลาสะเตนเนี่ยมันทําหน้าที่รู้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าเกิดขึ้นกับกายหรือว่าเกิดขึ้นกับใจก็ตาม มันเป็นการรู้แบบเรียกว่าเต็มตื่นนะรู้แบบเต็มตื่นไม่ใช่ครึ่งหลับครึ่งตื่นนะเวลาเราทำอะไรแล้วหลอนไม่ค่อยมีสติเนี่ยมันก็ทาได้เหมือนกันนะแต่มันทำได้แบบครึ่งหลับครึ่งตื่นเมื่อขับรถนะขับรถไปคุยโทรศัพท์ไปขับรถไปคุยคุยไปทะเลาะไป ล้วครึ่งหลับครึ่งตื่นมันก็ทำอะไรได้ไม่เต็มทีนะ่อย่างแม่นี่กำลังขับรถแล้วก็ขับรถไปเกิดทะเลาะ ก, กับลูกขึ้นมามันไปถึงเดทที่เขาให้วัดความเร็วไม่ทันรู้ตัวนะ ยังเคยไปพักที่บ้านโยมคนหนึ่งในฮอนแลนด์แกเป็นคนที่อารมณ์ร้อนกำลังนั่งขับรถพาลูกไปโรงเรียนก็เกิดลูกพูดอะไรไม่ถูกใจไม่รู้ก็เลยมีการโต้เถีย ง, งนะกันต อ, อที่โต้เถียงกันก็เหยียบคันเร่งนะบอกว่าความเร็วมันเกินเขามีป้าย ป้ายจำกัดความเร็วก็ไม่ทันสังเกตพอผ่านไปแล้วเนี่ยผ่านป้ายไปแล้วถึงรู้ตัวนะว่ามันขับรถเร็วเกินกำหนดแต่ซ้ายไปแล้วโดนฝับหนักมากนะหลายร้อยเป็นร้อ ย, ยูโรนะโอ้เปนหลายพันบาทอันนี้เรียกว่าขับรถแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นนะมันไม่ได้ตื่นเต็มนะ ไม่ทันสังเกตไม่ระแวดระวังฉะัถ้าเกิดขับรถมีสติเนี่ยนะ<ม>ก็จะเห็นป้ายนะไม่ยากเราะป้ายนี้บอกว่าจำกัดความเร็วแล้วก็จะชะลอความเร็วหรือม่ก็ขับรถตามปกติไม่ต้องไปเหยียบคันเร่งอะไรคือมันทำให้เรารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีตัวอย่างที่ว่านี่มันรับรู้ข้างนอกนยะ เห็นป้ายจำกัดความเร็วแต่ว่าสตินี่มันทำให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจด้วยนะรับรู้นะแล้วก็รับรู้ด้วยจิตที่มันเต็มตื่นหรือว่ารับรู้ด้วยความรู้สึกตัวเต็มร้อยก็ได้แลวถ้าเรารับรู้ด้วยความสึกเต็มร้อยแบบ น, นั้นเนี่ยมันไม่ถล่มเข้าไปในอารมณ์นะ มันไม่ถล่มเข้าไปในอารมณ์มันก็เห็นว่าอารมณ์หรือความคิดก็อันหนึ่งนะส่วนจิตนี่ก็เฝ้าดูเป็นผู้ดูอันหนึ่งมันคนละส่วนกันแต่ถ้าไม่มีสตินะหรือว่าไม่จิตไม่ตื่นตัวไม่เต็มร้อยมันก็จะเถอจมหายเข้าไปในอารมณ์นั้นมันก็ถุกมดูต่อไป ก็เรียกว่าถูกอารมณ์นั้นคร่อบงำจิตหน้าที่ของสติในการที่จะรับรู้นะเฝ้าดูอารมณ์นั้นโดยที่ไม่ไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นเล่นงานเนี่ยนะบางทีนั้นก็เปรียบเหมือนกับยามนะที่เฝ้าประตูประตูเมืองทหารยามก็คอยดูว่ามี คนแปลกหน้ามีศัตรูมีปรปักเนี่ยเข้าเข้าไปในเมืองได้ไหยก็คอยดูคอยสอดส่องคอยระแวดระวังซึ่งก็จะทำให้เป็นการรักษาเมืองไปในตัวด้วยตสติเนี่ยเมื่อรับรู้เห็นอารมณ์ต่างๆที่ใจเต็มร้อยเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่อารมณ์นี่จะจะหลอกนะ จะพาให้หลงอย่างถ้าว่าในทหารหรื อ, อยามที่เฝ้าประตูมันไม่ฉลาดเนี่ยนะคนอยากจะเข้าเมืองก็มีอุบายนะอาจจะแกล้งทำเป็นจุดประทัดเสียงดังนะยามก็ไปสนใจว่าเสียงดังเสียงอะไรกำนะลังมองไปข้างนอกเสียงมาจากไหนเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่เผลออยู่นั่นแหละ ศัตรูก็แอบเข้าแอบเข้าเมืองไดนะ้อันนี้เรียกว่าเป็นสติที่อยังไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะเพราะว่ามันทําให้ศัตรูมันแอบเข้าไปกอบควนเล่นงานหรือเผาเมืองก็ได้แต่ถนะ้าว่ายามนี่ดีนะเรียกว่าระแวดระวังตลอดนะมีเสียงดังตูมตามอะไรก็ ไม่ตื่นตกใจนะก็ยังยังอยู่ประจำที่แล้วก็ยังสอดส่องอะไรต่างๆได้ศัตรูก็แอบเข้าเมืองไม่ได้น่าที่ของสติเนี่ยนั่นะนะคือการที่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนะอย่างรู้ตัวหรือว่าตื่นตัวอันนี้รู้แล้วเนี่ย เห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นแล้วว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นเห็นแล้วมีความชั่วช้าเกิดขึ้นเนี่ยนะก็ไม่ไปทําอะไรกับมันนะก็เพียงแค่เฝ้าดูเฉยๆด้วยอาด้วยการปล่อยวางอันนี้แหละที่ครูบาเจริญ ว, วรู้สื่สอๆนะรู้สซื่อคือว่าเห็นมันเฉยๆเพียงแค่เห็นมันเท่านั้นนะ และถ้าหากว่าไออารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันถูกเห็นขึ้นมาเมื่อถูกเห็นด้วยสติแล้วเนี่ยมันก็มันก็มันก็ฟอไปไม่ต้องทำอะไรกับมันเพียงแค่ว่ารู้ทันมันก็พอแล้วให้การที่เห็นการรู้เท่าทันที่มันมีอนุภาพแลมันมีพลังมาเนี่ย มารในในในพระไตรปิฎกจะพูดถึงมารเยอะนแล้วก็มารก็จะมาก่อกวนตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงอภาษาวกทั้งพิกสุทิ์พิสุณีบางทีก็ไปก่อกวนอ่าพระอรสาพวกอย่างพระโมคคัลลานั่นนี่ก็โดนมารก่อกวนในท้องทีแรกเมื่อเป็นอะไรนั้นปวด แต่พอใช้อเรียกว่าใช้ยานส่องดูก็รู้ออมีมานเข้ามาพระโมคคัลลานะไม่ได้ใช้ฤทธิ์อะไรทั้งนี่มีฤทธิเะนะ์เดือดก็เพียงแต่บอกมานว่าอ่ามานผู้ช่วร้ายนเรารู้จักท่านแล้วท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านแค่นี้แหละมานก็ยอมแพ้เลยแล้วก็ล่าถอยไปนะออกจากท้องของพระโมคคัลลานะ เวลามาก่อกวนพระพุทธเจ้านะเพราะค์ก็ตัดอย่างเดียวกันนะว่ามารนะเ้าอยากคิดว่าเราท่านอยากคิดว่าเราไม่ได้ดับท่านมีคราวหนึ่งพระรูปนี้คือพระสมิทธินะนั่งบำเพ็ญภาวนาก็เกิดแผนดินไหวนะอันนี้มานี่มาก่อกวนใครที่ต้องการจะปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์มาก็จะมากวนเพราะว่า ไม่อยากให้ใครเนี่ย<ม>พลุจากอำนาจของมารพราะสมิธีตกใจนก็เลิกปฏิบัตินะกลับไปยังเชต ว, วันพระรูปเจ้าสอบถามพอรู้ก็บอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นสีมือของมารนะ<ม>ถ้าเกิดเจนแบบนี้ก็ให้ผู้กับมารว่านะมารเรารู้จักท่านแล้ว ท่านอยากที่ว่าเราไม่รู้จักท่านพระสมิทธิก็เชื่อฟังก็เลยกลับไปบำเพ็ญภาวนาใหม่แล้วพอมารมากกก่อม ก, กวลวนอีกนะพระสมิทธิก็พูดอย่างนี้แหละตามที่พระเจ้าแนะนำมารก็ยอมแพ้อันนี้เป็นวิธีในการรับมือกับมารนะเพียงแต่ให้ให้รู้ทันนะรู้ทันอุบายของมารแล้วก็พูดให้มารู้ว่าเรารู้แล้ว ให้คําว่ารู้แล้วเนี่ยหรือเรารู้จักท่านแล้วเนี่ยมันก็มากพอแล้วจะไม่มานถอยกับอารมณ์ต่างๆก็เช่นเดียวกันนะแม้เป็นอารมณ์อกุศลเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับมาร น, นะมันชื่อกิเล ส, สมารนะหรือขันธมารก็ได้นะขันธมารตรงนี้ก็หมายถึงว่าความเจ็บความป่วยเกิดทุกขเวทนาก็เป็นขันธมารแบบนี้นั่งทำอะไรมากพอมันมา รบกวนรังควาหรือโผหน้ามาก็เป็นแต่รู้ทันมันถ้าเป็นแค่รู้ทันมันเนี่ยมันก็ล่าถอยไปโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรกับมันอันนี้เรารู้เฉยๆรู้ซื่อๆอันนี้ก็เป็นงานของสติเหมือนกันนะเป็นคุณสมบัติของสตินะคือว่าไม่เพียงแต่รับรู้นะในทุกในทุก อาการของใจแต่จําเป็นการรับรู้โดยที่ไม่ต้องไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรไม่ต้องทําอะไรกับมันแค่รู้เฉยๆท่านก็เปรียบเหมือนกับว่าสติก็เหมือนกับผู้ที่ยืนอยู่หรือผู้ที่นั่งอยู่บนหาคอยแล้วก็ดูแม่น้ําลําทานไหลผ่าน หรือจะนั่งอยู่ริมหาดก็ได้นั่งอยู่บนฝั่งก็ได้ดูแม่น้ำไหลผ่านก็ดูอย่างนั้นแนะรับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะหรือทุกสิ่งที่ผ่านเลยไปอะไรที่ลอยไปตามกระแสน้าก็รู้หมดเห็นหมดแต่ไม่เข้าไปทำอะไรกับมันไม่เข้าไปผักใสแล้วก็ไม่ไปไ ข, ขวยคว้าเห็นของดี เห็เนเลือสำรางเล่นผ่านมาก็ไม่ใช่อยากจะกดโจลลงไปในน้ำเพื่อที่จะขึ้นเลือสารางเม็นหมาเน่าลอยน้นยำมาก็เห็นเฉยเฉยไม่ได้ไปผักใส่ให้มันไปไกลๆก็แค่ดูอยู่นะบนหอคอยหรือว่ายืนอยู่นั่งอยู่ริมตลิ่งรับรู้ทุกอย่างที่ไหลผ่านเข้ามา ตามกระแสน้ำแต่ก็ไม่ไปทำอะไรกับมันเลยอันนี้เรื่รู้เฉยๆเราไปรู้ด้วยด้วยความรู้สึกที่สบายผ่อนคลายบางทีท่านก็เปลี่ยมนมาว่าคนที่เอาวัวไปเลี้ยงไปเลี้ยงในทุ่งและทุ่งนั้นเนี่ยซึ่งเคยเป็นนาก็เกี่ยวข้าวหมดละ พราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นยายว่าวัวเนี่ยมันจะไปกินข้าวไข่ของค์หรือเปล่านะก็แค่ดูบนหางๆเพียงแค่ดูไม่ให้วัวออกไปไกลๆแค่นั้นเองเป็นกา ร, รดูด้วยความรู้สุกผ่อนคลายเพราะว่ารู้ว่าวัวนี่มันไม่มันไม่ไปกออความวุ่นวายกับอะไรแน่เพราะว่าข้าวก็เกี่ยวเรียบร้อยแล้วนหน้าที่ของ คนเลียงวัคือก็แค่ดูวัวมันดูวัวอยู่ห่งหางๆนะไม่ต้องทำอะไรกับมันนะอันนี้ก็คือคุณสมบัติของสตินะ่ก็คือดูรับรู้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่เข้าไปทำอะไรกับมันแต่ใหม่ๆเนี่ยนะใจเราเนี่ยมันก็จะไม่ยอมนะไม่ยอม ไม่ยอมอยู่เฉยเนะมุขจะเข้าไปโรมรันพันตูผักใสถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่พอใจถ้าเป็นอารมณ์ที่พอใจก็เข้าไปยึดเข้าไปครองอยากจะอยากจะรักษาไว้นานนานมีความคิดใดเกิดขึ้นก็ถล่มเข้าไปในความคิดนั้นปล่อยแล้วก็เพลินไปกับความคิดนั้นหรือแม่ก็ตีอกชกหัวเพราะความคิดนั้น อันนี้เรียกว่าสอบตกนะเป็นการบ้านถ้าเป็นการบ้านก็เป็นการบ้านที่ทําผิดผิดแล้วทำยังานผิดแล้วก็ทําใหมนะ่เวลาเราทำการบ้านเนี่ยเราก็ผิดแล้วผิดอีกั้งแต่ว่าไอ้ความผิดก็ทําให้เรารู้จักว่าถูกคืออะไรแล้วก็ทกําการบ้านถูกกันไดนะ้อารมณ์เหล่านี้ก็เหมือกันกับการบ้านแต่เป็นการบ้านที่ยาก ที่เรามักจะทำผิดอยู่บ่อยๆก็คือว่าไม่ได้แค่รู้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้รู้ได้ซ้ำนะคือหลงเลยนะเจอมันทีไร ห, หลงทุกทีหลงเพลินอยู่แนวหน้าของมันนะแทนที่จะเห็นก็เข้าไปเข้าไปเป็นผู้เป็นนะแทนที่จะรู้ก็หลงนะจมเข้าไปในอารมณ์นั้นนะ หรือถึงรู้เนี่ยก็รู้แบบไม่ได้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้แล้วก็อยากจะไปผักไสมันอยากจะไปกดข่มให้มันหายอย่างที่หลายก็บอกเนี่ยทำไมรู้ว่าโกรธทาไมมันไม่หายโกรธนะเพก็เพราะไม่ได้รู้เฉยๆไม่ได้รู้ซื่อๆนะรู้แล้วใจมันไม่ชอบความโกรธก็อยากจะไปไปกดขม่มผักไสความโกรธความโกรธมันไม่ต้องทําอย่างนั้นนะ เคยมีคนถามหลวงปู่ดุลว่าทำไมจะตัดความโกรธให้ขาดหลวงปู่ดุลก็บอกว่าไม่มีใครตัดความความโกรธให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันรู้ทันมันมันก็ดับไปเองคำว่าดับไปเองคือว่ามันมันหมายก่าว่ายอมแพ้หรือว่าเสียหน้าขโมยที่มันแอบเข้าบ้านแล้วก็ พอมันสบตากับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านรู้มันเข้ามานะมันก็ล่าถอยไปเองเจ้าของบ้านไม่ต้องเอาไม้ไปไล่นะหรือว่าไปเตะต่อยนะไม่ต้องออกปากไล่เลยซ้ามันไปเองมันว่ามันยอมแทนะ้หรือว่าอับอายขายหน้านะเสียท่านะมันก็มาเนี่พอมันรู้สึวาเสียท่าแล้วมันก็ไปเองเลยนะ รู้ว่าเสียท่าก็เพราะว่าถูกเจอคํามผูวเนี่ยเรารู้จักเจ้าแล้วนะแต่ในการปฏิบัติเนี่ยในการเจริญสติเราไม่ต้องบอกนะอารมณ์พวกนี้หรอกนะว่าเรารู้จักเจ้าแล้วนะเพียงแค่มีตาในเห็นเห็นมันเท่านั้นแหละนะมันก็ยอมแพ้ไปแค่นี้ ถึงบอกว่าทุกอารมณ์เนี่ยหรือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันรู้แต่เป็นของดีทั้งนั้นแล้วแตมีประโยชน์<ม>ก็เพราะว่ามันเป็นเครื่องฝึกสติได้เป็นเครื่องฝึกสติให้ส ต, ติเราทํางานได้รวดเวรวเดี ว, เดวปากเปรี่ยวฝึกสติให้รู้ทันได้ไวฝึกสติให้รู้จักรู้เฉยเฉยรู้แบบอุเบกขานะีรู้แบบโดยที่ไม่ต้องไป สู้ลบตบมือเลยกับมันอันนี้ถ้าเป็นอารมณ์ฝ่ายลบนะส่วนถ้าเป็นอารมณ์ฝ่ายบวกก็รู้โดยที่ไม่เข้าไปไปเพลิดเพ ล, ลินละ้มไหลนะไปยึดไปครองมันให้อยู่นานๆทำแบบนี้แาบนักฝึกบ่อบยๆนะล้มแล้วล้มอีกพลาดแล้วพลาดอีกตนะอนนี้มันยังมีประโยชน์มากกว่า น, นั้นนะก็คือว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยนะ นะถ้าเรารู้จักพิจารดูมันเป็นเนี่ยมันก็จะสอนนะสอนให้เห็นว่าทุกอารมณ์นี่ไม่ได้เกิดขึ้นเองทุกอารมณ์นั้นไม่ได้อยู่ยั่งยืนนะมันมาแล้วก็ไปเหมือนกับสิ่งที่ไหลไปตามกระแสน้ำนะมันผ่านหน้าเราไปไประเดี๋ยวเดินล้มก็ไปหายลับไป อารมณ์นั้นเนี่ยมาแล้วก็ไปความคิดนั้นมาแล้วก็ไปนะแล้วก็ที่มันมาหรือเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีเหตุนะแล้วที่มันไปก็เพราะมีเหตุนะตเวลาเราพิจารณาหรือดูอารมณ์เหล่านี้เนะี่ยท่านก็ไม่ได้เพียงแคให้ดูว่าเออมันมีอยู่ในใจัหมมันดับไปหรื อ, อยังอันน่าเป็นขั้นแรกนะ มีความกรธเกิดขึ้นไหมเห็นแล้วก็เห็นความกรธ ด, ดับไปหรือเปล่าขั้นต่อไปคือดูว่าเออมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันมีเหตุปัจจัยอะไรแล้วก็มันดับไปเพราะอะไรนะอันนี้ก็เป็นการบ้านขั้นที่สองนะก็เห็นเห็นความเกิดและความดับรวมทั้งเห็นเหตุปัจจัยของมันเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดเหตุปัจจัยทําให้ดับนะ เหตปัจจัยทำให้เกิดที่จริงแล้วเนี่ยพอมันหมดเหตุมันก็ดับไปเองนะนี่เราก็ต้องดูนะต้องเห็นตรงนี้ด้วยเห็นตรงนี้ก็เห็นจับสตินั่นแหละนะเพราะสติเนี่ยมันก็คือทําให้มันเป็นทําให้เราเห็นนะสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไปเห็นไปเห็นว่ามันมีเหตุปัจจัยจากอะไรนะ ตอนนั้นแหละก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาก็คือความเข้าใจความรู้ในเรื่องของไตลักษนะ์เข้าใจสัจธรรมโดยเพราะไตลักษ์ซึ่งไม่ได้เห็นจากไหนไม่ได้รู้จากไหนก็รู้จากอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละนะไอ้ที่เห็นจากตำราอาจจากตำราที่ยังไม่ใช่ของจริงนะถ้ารู้จากตำรายังไม่ใช่ของจริงรู้จากคําสอนครูบาอาจารย์ยังไม่ใช่ของจริ ง, รราา ง, ม, ง, รงมันต้องรู้จัก หรือเห็นจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอันนั้นอะไรที้เป็นของท่านนี่เป็นความรู้เรียกว่า first hand นะความรู้ชั้นหนึ่งไอ้ความรู้ที่มีอยู่ตอนนี้มันจะเป็นความรู้ second hand นะมือสองฟังจากครูบาจารย์เล่านะหรืออาจจะตำลาตามที่ผู้เจ้าสอน แต่ใดที่ความรู้เรามันยังไม่ไม่ใช่เป็นความรู้ชั้นหนึ่งมือหนึ่งเนี่ยมันก็ยังไม่ช่วยทําให้หมดทุกข์ได้นะเพราะมันยังไม่ใช่ของแท้มันเป็นแค่ความจำถ้าความรู้เ i r s t h a นมือหนึ่งที่เกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากการที่เจออารมณ์พวกนี้แหละไม่ใช่แค่อารมณ์แี่ความทุกข์ด้วยนะความทุกข์ถ้าทุกข์เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะเพราะว่าถ้าเรา ถ้าเราเห็นมัน บ, บนะ่อยๆเราเห็นไม่ค่อยเป็นๆนะอันนี้แหละเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาเห็น บ, บ่อยๆเห็น บ, บ่อยๆทุกเกิดขึ้นมาแล้วเห็น บ, บ่อยๆจนกรทั่งรู้ว่ทุกนะมันเกิดจากอะไรนะเกิดจากกละเกิดจากสมุทรไทยนั่นแหละสมุทรไทยได้แก่อะไรนะความวิทย์ความอยากนะการปรุงแต่ง อุปาทานอันสิ่งนี้ความรู้แบบนี้เกิดขึ้นได้จากการที่เห็นเห็นเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยสติเพราะสติคือตาในพอเห็นนะบ่อยเกิดความรู้ขึ้นมาความรู้นี่แหละเรียกว่าปัญญาและปัญญาเนี่ยที่ทําให้ออกจากทุกข์ได้เพราะว่า มันทำให้ไม่มีความยึดติดไม่มีความวิความอยากเพราะรู้วความจริงของสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเพราะนั้นทะุกเนี่ยนันจึงมีประโยชน์นะมีประโยชน์เพราะถ้าเราอไม่รู้จักทุกดีเราก็ไม่เห็นสมุทยัยนะเราจะรู้จักสมุทัยได้จนกระทั่งเนะข้าถึงนิโรธ ก, ก็เพราะว่าเรา เรารู้จักทุกและเรารู้จักทุกได้ก็เพราะว่าเราเห็นมันบ่อยๆเราเห็นมันบ่อยๆได้เพราะว่ามันมาให้เราเห็นถ้ามันมาให้เราเห็นเราจะมีความรู้จากมันได้อย่างไรดังนั้นทุกมีประโยชน์นะไม่มีทุกเลยเนี่ยไม่เกิดทุกเลยเนี่ยก็ถือว่าขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ถ้าเวลามีความเวลามีทุกเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรู้จักหาประโยชน์จากมันให้ได้ S <S <an> นะแต่ว่าเราต้องเกี่ยวข้องกับทุกใหเ้เป็นจะได้เกียยกัะมันต้องเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นก็คือว่ามีทุกก็ให้รู้จักทุกนะทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะหรือกําหนดรู้นะรู้นี่กําหนดรู้นี้นใช้ชื่อว่าปิญญาปริญญาคือความรู้นะรู้ชั้นหนึ่งด้วยไม่ใช่รู้จากการอ่านนะถ้ารู้จากการอ่านการฟังมันแค่สัญญานะเป็นความรู้มือสองถ้าความรู้มือหนึ่งชั้นหนึ่งเลิก ปัญญาหรือปริญญานะแล้วความรู้ชั้นหนึ่งเกิดขึ้นได้ก็ต้องเจอทุกเองทุกมาหาเราบ่อยๆมาบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆเราก็แล้วเรารู้จักเรามีเครื่องมือนะก็คือมีสติสติทําให้เห็นไม่ผ้าเป็นเป็นนะสติทําให้ทําให้เกิดการกําหนดรู้เอากาหนดรู้ก็เกิดความรู้ขึ้นมาให้เวลาเราเจอทุกเนี่ยเราก็ต้อง จะไปตีโพยตีภายนะต้องตั้งหลักให้ดีแล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์มันก็สามารถจะเป็นเครื่องมือทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นะจะพ้นทุกข์มันต้องเจอทุกข์นะถ้าไม่เจอทุกข์มันก็ไม่พ้นทุกขนะ์เพราะว่าทุกข์มันทำให้เห็นธรรมไดนะ้เพราะนั้นให้เราริ่รดูวตั้งหลักไว้ในใจเสมอนะว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับใจเราดีทั้งนั้น หรือแม้กระทั่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรารวมทั้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็มีประโยชน์ทั้งนั้นเอาละช้ากิเพื่พท่า น, นี้กาศบะ